และจริงจก็พร้อมจะไปแต่วันนี้เธอเป็นคนที่ขอให้รออีกครั้งที่จะยอมเธอแม่ใจมันจะท้อกับการต้องรอให้เธอนั้นเคลียร์เรื่องเขาล เพราะหวังล้ม ล, ม, ลมกับเหตุผลที่เธอเป็นคนพูดให้ดีใจกับเขาที่คบทุกวันมันเหมือนทนกันไปอยู่ในระยะทำใจมีการเลิกรักอีกนาะน เธอจะทำใจได้หรือเปล่าหากว่ามันยืดยาวแล้วฉันต้องทำเช่นไรที่มันท้อไม่ใช่ต้องรอถึงเมื่อไรแต่กลัวเธอไม่ตัด เสียใจให้คนที่มันรักเธอเสียงอยู่กับรักที่ต้องทนรอแต่เธอขอก็พร้อมจะรอแม่นั้นเพียงไรก็รู้ลึกๆแล้วเธอยังรักคำเต็มใจ หวังที่รอในใจมันอาจไม่มีอีกนานไม่เธอจะทำใจได้หรือเปล่าหากว่ามันยืดยาวแล้วฉันต้องทำเช่นไรที่มันท้องไม่ใช่ต้องรอถึงเมื่อไหร่แต่กลัวเธอไม่ตัด สุดท้ายคนเราไม่เหลืออะไรยิ่งซ้ำตามความเสียใจให้คนที่มันรักเธอ